เทวดาองค์เด่นที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ตามประเพณีนี้ได้แก่เท้าสักกะที่เรียกกันว่าพระอินท์คติการช่วยเหลือของพระอินท์อย่างนี้นับว่าเป็นวิวัฒนาการช่วงต่อที่เชื่อมจากคติแห่งเทวานุภาพของลทัทธิศาสนาแบบเดิมเข้าสู่คติแห่งกรรมของพระพุทธศาสนาแม้จะยังมิใช่เป็นตัวแท้บริสุทธิ์ตามหลักการของพระพุทธศาสนา แต่ก็เป็นคติที่วิวัตรเข้าสู่ความเป็นพุทธถึงขั้นที่ยอมรับเป็นพุทธได้ดูเรื่องการช่วยและการแกล้งของพระอินทร์ในบันทึกพิเศษท้ายบทสาระสำคัญของคตินี้ก็คือมนุษย์ที่ดียอมทำความดีไปตามเหตุผลสามัญของมนุษย์เองและทำอย่างมั่นคงแน่วแน่เต็มสติปัญญา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 พูดง่ายๆว่ามนุษย์ก็ทำดีโดยไม่คำนึงถึงการช่วยเหลือของเทวดาเทวดาก็ช่วยโดยไม่คำนึงถึงการอ้อนวอนของมนุษย์ในเรื่องนี้เทียบกับสภาพปัจจุบันน่าสังเกตว่ามนุษย์ในบนัดนี้ดูเหมือนจะหนักในการอ้อนวอนมากถ้าเพียงพยายามก่อนจึงอ้อนวอนก็พอทำเนาแต่ที่มีมากกลับเป็นว่า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 น่าเกรงไม่ว่าเทวดาไฟลาบและเทวดาสวมรอยจะมากันมากหรือไม่ก็เทวดาใจอ่อนที่มัวมาโลุกโขลยกับมนุษย์จนพาเสียไปด้วยกันถ้าใครยังห่วงยังหวังเยื่อใหญ่ในเทวานุภาพอยู่ก็อาจจะท่องกติต่อไปนี้ไว้ปลอบใจว่าการเพียงพยายามทำดี เป็นหน้าที่ของมนุษย์การช่วยเหลือคนทำดีเป็นหน้าที่ของสวรรค์เราทําหน้าที่ของมนุษย์ให้ดีที่สุดก็แล้วกันถ้าจะให้ถูกแท้ควรว่าการเพียรพยายามทำดีเป็นคุณธรรมของมนุษย์การช่วยเหลือคนทาดีเป็นคุณธรรมของสวรรค์แต่ใช้คำว่าหน้าที่ เพราะฟังง่ายและกำชับการปฏิบัติมากกว่าถ้ามนุษย์ไม่เพียรทาดีมัวแต่อ้อนวอนเทวดาและถ้าเทวดาไม่ใส่ใจช่วยคนทาดีมัวแต่รอการอ้อนวอนหรือคอยช่วยคนที่อ้อนวอนก็คือเป็นผู้ทําผิดตอนหน้าที่เมื่อมนุษย์และเทวดาต่างขาดคุณธรรมปฏิบัติผิดหน้าที่ ก็จะประสบความหายนะไปด้วยกันตามกฎแห่งธรรมดาที่ควบคุมทั้งมนุษย์และสวรรค์อยู่อีกชั้นหนึ่ง